บรรยายเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2536เราเกิดมาถ้าถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรคนส่วนมากก็ตอบอยากจะตอบไม่ถูกหรืคอคิดกับตัวเองไม่รู้จะตอบไปยังไงดี แต่ว่าหลายคนก็จะคิดไปถึงความสุขแล้วก็อาจจะตอบออกมาบอกว่าเกิดมาเพื่อหาความสุขคำตอบนี้ก็จะถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่แสดงให้เห็นว่าเรื่องความสุขเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เป็นเรื่องที่เด่นอยู่ในใจคนก็คิดที่เรื่องเนี้ยเป็นสำคัญมาก นในีเมื่อความสุขเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์แล้วก็มนุษย์แสวงหาเราก็จะต้องเอาใจใส่คือ ท, ทางธรรมะนี่จะต้องเอาใจใส่เขาเพราะในเมื่อเขาหาความสุขก็หาได้ถูกต้องก็เกิดความสุขจริงถ้าหาไม่เป็นหาไม่ถูกก็เกิดปัญหาเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็เกิดปัญหากับคนอื่นแทนที่จะได้สุขก็ได้ทุกข์หรว่าบางทีก็ได้ สุขส่วนหนึ่งแต่เกิดทุกข์มากอีกส่วนหนึ่งเก็ตัวบางทีตัวเองได้สุขบ้างแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากมายปัญหาก็เยอะแยะเกิดจากการที่คนแสวงหาความสุขปัญหาที่เกิดเกิดกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการหาความสุขของมนุษย์จะเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ธรรวาดานี้ก็มามองดูตามหลักธรรมะก็จะได้ให้เห็นแนวทาง ในการช่วยให้คนหาความสุขได้คนทั่วๆายนี่หาความสุขก็จะนึกไปถึงความสุขจากตาที่ฐาหูจมูกลิ้นกายใจได้เศษสิ่งที่พอใจที่เรียกว่าสุขเวทนาอย่างที่เราเคยคุยกันมาแล้วในเรื่องเนี้ยการอยู่ทิฏฐาหูจมูกลิ้นกายเลยสำคัญที่สุ ตาได้ดูสิ่งสวยงามูได้ฟังสิ่งไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมที่ถูกใจลิ้นได้ลิ้มรสอร่อยจายได้สัมผัสสิ่งนุ่มเนียนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสาคัญ ข, ของมนุษย์ความสุขระดับนี้เป็นเลื่อนใหญ่มากปฏิเสธไม่จะพอมนุษย์แล้วก็สับทุกอย่าง ก็จะมุ่งไปที่ความสุขประเภทนี้เอาศาสนาเรียกความสุขอย่างนี้ทั้งหมดใช้สัพท์เดียวเรียกว่ากามความสุขที่เกิดจากการบำเบร็ตาหูใจมือลิ้นกาย <c oughs> ได้เรื่องกามเพราะฉนั้นกามก็จะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์อยากได้ตัว ก, กามเองแปลว่าความอยากได้หรือสิ่งที่อยากได้ อยากได้อะไรอยากได้เพื่อมาบําเรอตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> แล้วก็ความสุขที่เกิดจากกามนี่ก็เรียกว่ากายมัสุขแล้วก็สิ่งที่เป็นแต่ละอย่างละอย่างที่แต่ละประเภทที่จะมาบําเรอตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่ากามาคุณนก <c oughs> ายมาคุณนี่ก็คุณนั้นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณประโยชน์หรือคุณค่าความดี <c oughs> แต่แปลว่าส่วน ส่วนต่างๆแต่ละส่วนแต่ละส่วแต่ว่าส่วนต่างๆที่จะมาบําเพ็เราจะหมุนลิ้นกายรือว่าสิ่งที่อยากได้เป็นประเทศประเทศก็มีกรมคุณก็ส่วนที่มาบําเพ็ญตาส่วนที่มาบําเพ็หูบําเพ็ญจมูกบเพ็ลิ้นบําเพ็ญกายเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะได้ห้าท่านจึงเรียกว่ากรรมะคุณห้าเราจะได้ยินบ่อ ย, อยกรรมะคุณห้า ก็คือกามนั่นเองที่เป็นส่วนต่างๆส่วนบำํำรุงาตาหูจมูกลิ้นายการมคุณฮะเ่็นสิ่งวิปาสสนาม น, นุษย์ก็แสวงหากันในสิ่งเหล่านี้ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ยอมรับนะว่ากามนี่นก็ช่วยให้คนมีความสุขแต่ว่าสิ่งสำคในพุทธศาสนาอย่หนึ่งก็คือว่าท่านให้รู้เท่าทันมันที่รู้เท่าทันส่วนดีของกามท่านก็ยอม นี่เรียอัตตาธาของกรรมแต่ว่าต่อจากนั้นแล้วมันนอกจากมีส่วนดีแล้วมันก็มีอาธินวะว่าโทษส่วนเสียของกรรมนะี่ก็หมายความว่าการรมเลยมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนเสียเห <c oughs> ็นใช่ไหมมีแต่ส่วนดีก็หมดไป <c oughs> ทีนี้ไอ้ทีต่อที่มันมีส่วนเสียด้วยนี่แหละถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกไอ้ส่วนเสียมันก็จะมาแล้วมันก็จะ ไปกลบไปทับหรือว่าปิดกันไม่ใหส่วนดีนี้เกิดขึ้นธรรมะก็เลยต้องเข้ามาตอนเพื่อทําไงาคนจะได้ไปส่วนดีไม่ทําให้เกิดส่วนเสียเอรการแล้วก็พระเหตุที่ว่าถึงยังไงในเมื่อกามมันมีส่วนเสียอยู่แล้วมันก็ต้องหาทางว่ามันมีอะไรที่จะแก้ไขนะมีอะไรที่ดีกว่ากามอีกไหม แต่ก็มีถ้าไม่มีก็หมายความต้องหาทางทำให้การมีแต่ส่วนดีเท่าที่ทําได้ที่จะ้มันหมดส่เสียมันไม่ได้เขาบิดร่องแตนทีนี้ถ้ามีส่วนที่ดีเหนือกรรมมีความสุขอื่นเราก็จะได้หาความสุขนั้นด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเราเกิดพอใจสุขที่เหนือกรรมไปแล้วเราก็พ้นไปจากการมไปเลยลก็พ้นจากโทษของกรรมไปด้วยอันนั้นก็แล้วแต่เป็นอิสระ พระศาสนานี้ถือเป็นเรื่องเสรีภาพแต่ว่าให้รู้แล้วก็มาดูผู้คนนะแล้วจะได้รู้จักเลือดนี่ก็เอาทีนี้ท่านก็ให้หลักคือว่าพระพุทธเจ้าก็ค้นพบความจรินแล้วก็มาแสดงแล้วก็จัดเป็นหลักขึ้นมาหมอก็มาดูว่ากามเอาละส่วนดีของกามก็มนุษย์ก็รู้จักกันละทําให้มนุษย์มีความสุขที่อยู่วันนี้ก็มุ่งหา สุขจักามเป็นสัาคัดลเลอะตามูยหมุกลิ้นกายใครๆก็ปราดถนาในเมืม่อเป็นมนุษย์ผูุชนอยู่ทือด้วส่วนที่เป็นโทษในอาชีวะของกามก็คืออะไรละ่ะส่วนโทษของกามอืมก็หนึ่งตัวเองนะเอาที่ตัวเองก่อนในแง่ของตัวเองนี้สุขจากกามนี่ไม่รู้จะกิน คือไม่รู้จะขอทำไมรู้จะกิไม่รู้จะพ อ, ม, อมีเท่าไหร่ก็บางทีพอปรารถนาสิ่งนี้พอได้ปั๊บสมใจปรารถนากันไม่รูสุขเป็นที่แต่เสร็จแล้วก็ต่อมาต่อมาชักชิมชาก็รู้สึกอยากจะได้อีกนิดต่อรี้เท่านี้ไม่พอต้องมากกว่า น, นี้ ไออันเดิมที่เคยมีความสุขได้ความสุขก็เกิดเบื่อหน่ายนแล้วก็ไม่พอก็มองหาต่อไปอีกเพิ่มต่อไปอีกทีนี้อทั้งสองด้านเนี่ยเกิดโทษเกิดปัญหาคืจุดแสวงที่ตัวเองเกิดเบื่อหน่ายแล้วที่เคยนี่ก็จะได้สุขแล้วสุขไปสะพังแล้วเกิดเบื่อหน่ายก็จะอยู่กับสิ่งนันกลายเป็นทุกข์ ไอ้สงทีเธอเนี่ยก็จะให้สุขพอชาชินแล้วพอเบื่อได้แล้วคราวนี้ไอ้สิ่งนั้นถ้าตัวหลบไม่ได้หลีดหนีไม่ได้แล้วเป็นทุกข์เราอยู่โดยกมันทำนี้ถ้า้าคิดทําไงจะพ้นยังมันไปได้หนอเนี่ยไอ้ถ้าพ้นง่ายก็ดีพ้นไม่ได้นี่แย่เลยเนี่ยอ้าวแล้วตัวทุกข์เพราะนี้ทีนี้สองก็ทุกข์เพราะไอ้เรื่องที่ยังไม่ได้ไอ้ส่วนที่ตัวจะวิ่งไปหามันไม่ถึงสักทีแลววิ่งต่อไป มันก็ไม่สุขทักทีทีนี้ดังอย่างมันก็ที่หวังต่อไปนี่มันไกลไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ก็ทุกข์เพราะสิ่งที่ยังไม่ได้ทุเพราะความหวังที่ยังไม่สําเร็จอันนี้ก็อีกเรื่องนึ่งนี่ก็ต่อไปไอ้ทีนี้กามนี่มันเป็นสุขประเภทที่เป็นวัตถุสิ่งบำรุงบเรองข้างนอกเราียกว่าอาวุธเป็นสิ่งภายนอกมันไม่ได้อยู่ในตัวเรา มันไม่ได้ขอสาเร็จในตัวมันไม่ได้ขอสาเร็จในตัวความสุขของเราก็ไปขึ้นแต่สิ่งอื่นภายนอกนไม่เป็นอิสระของตัวเองเมื่อเอาความสุขไปขึ้นแต่สิ่งภายนอกมันก็กลายเป็นว่าเหล่านี้จะต้องซื้ออิสรภาพไปนมองในแง่นหนึ่งก็เหมือนกับเป็นทาตของสิ่งภายนอกกาปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เป็นธาตุจริง ถ้ารู้เท่าทานก็ดีไปก็หมายความว่ายังระวังตัวเองได้แต่บางคนก็จะกลายเป็นท้ายของสิ่งเหล่านั้นฝากชีวิตให้กับสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นที่ตัวหวังความสุขแล้วไม่มีความสุขเลยยังไม่ได้สิ่งนั้นแล้วมีแต่ความทุกข์ในตอนนี้ทีนแยกตอนที่ว่าความสุขไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วถ้าไม่มีสิ่งนั้นและตัวมีแต่ความทุกข์ตัวเองไม่สามารถมีความสุขได้ตนเองไม่เป็นอิสระดิฉัน ที่อีกต่อไปก็คือเมื่อสิ่งนั้นเกิดแปลกลวนไปตัวเองก็พลอยทุกข์ไปด้วย <Yeah. S 1> ทุกข์ไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะความแปลกลวนอันนี้ก็แล้วก็จริงอย่างนั้นอีกคือสิ่งเหล่านั้นทั้งตัวเองทั้งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสังขารเกิดจากเหตุปัปรุงแต่งไปไปจามกฎธรรมชาติเป็นปัจจายนิจจทุกขั้งหน้าตาตัวเองก็แปรกลวนเป็นทุกข์เมอเป็นอ น, นิจจ์เปลี่ยนแปลงไปน yeah. สินั้นที่ตัวเองหวั ง, ค, ค, ง, ง ค, ความสุขฝากความสุขไว้ให้ก็เปลี่ยนแปลงไปในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็มีการเสลี่ยนแปลงได้บางทีตัวเองก็ไม่อยู่ในภาวะที่จะไปหาความสุขจากสิ่งนั้นบางที่สิ่งนั้นตัวเองสามารถมีความสุขหาความสุขแต่สิ่งนั้นเกิดแปรเปลี่ยนแปลงไปอีกตัวเองก็ไม่สําเร็จผลที่ต้องการก็เกิดทุกข์ในทุกกรกาลอันนี้ก็เกิดจากเป็นความสุขที่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระ ตอนนี้นะ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นลักษณะของอามิสสุขมีเน็จจุดเหล่านี้เป็นจุดที่มีความบกพร่องเพราะฉะนั้นจะต้องหาหลักปฏิบัติให้ถูกนเมื่ออย่างหากรรมสุขก็จะได้มีความสุขได้อย่างดีอย่างมากที่สุดโดยมีความทุกข์มอที่สุด เ, เมื่อความสุขประเภทนี้มีจุดต่อนดีเข้าบกคล่องในส่วนเสียอย่างนี้ถ้าเราจะต้องการหาความสุขจุดมันเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติให้มีความสุขได้อย่างดีที่สุดแล้วก็มีทุกน้อยที่สุดอันนี้แหละเ็นส่วนที่ธรรมะเข้ามานี่มองแต่ในแง่ที่เกี่ยวกับตนเองทีนี้มองในแง่ของความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่นภายนอกปัญหาหรือส่วนเสียในจุดแค่นั้น ในหี้ในเมอ่อไอความสุขที่เกิดจะกการรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักพอไม่เป็นอิ่มก็วิ่งตามหากันอยู่เรื่อยไปทําให้แสวงหาให้มากขึ้นมากขึ้นไอตอนนี้จะเป็นปัญหาในการสัรรพโลภกันเพาแต่ละคนก็จะต้องแสวงหาด้วยกันและต่างคนต่าง ก, ก็ไม่พอด้วยกันไม่อิ่มด้วยกันแลงนั้นต่างคนต่าง ก, ก็จะหาให้มากที่สุดแต่สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยมันมีจํากัดเพราะนั้นคนก็จะ ขัดแย้งกันขัดแ ย, งย้งในเรื่องผลประโยชน์ขัดแ ย, งย้งในเรื่องกามเมื่อขัดแย้งกันก็เกิดการทะเลวิวาสการแย่งชิงการเบียดเบียนการข่มเหงการครอบงำซึ่งกันและกันนี่เป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในช่วงโคมอนุเราจะเห็นว่าความทุกข์ความเดือดร้อนปัญห า, าต่างๆของมนุษย์นี่เกิดจากการแย่งชิงการตนนัเนี้มากมายเลยที หรือบางคนก็มีอำนาจมีโอกาสเหนือผู้อื่นก็ครอบงําให้อํานาจบีบคั้นคุ้มเเพื่อรวบรวมเอามาให้มากที่สุดก็นี่ก็เป็นปัญหาแต่การเดียดเบีนกันระหว่างมนุษย์แล้วก็ไอ้ที่ว่าไม่อิ่มไม่พอเนี่ยทางพุทธศาลนาก็ให้หลักหลามากมายอย่างในนัาสสันีก็มีพุทธภาสุขะคงลุกออกใช่ไหม จะอย่างการนัดที่จันหาสมานทีแม่น้ําเสมอได้จันหาไม่มีนะความว่าแม่น้ํามันยังมีวันเป็นตลิ่งบางจันหานี้ไม่เป็นเนะี่วยหรือว่าอุจฉานันตะโกจราความปราศนามีอารมณ์ไม่สิ้นสุดเลยหมายความว่าเดี๋ยวก็อยากได้สิ่งนี้เดี๋ยวก็อยากได้สิ่งนั้นคิดคำหนึ่งเรื่อยไปนะและ้วก็อะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไปว่าแม้จะในรมิตภูเขาให้เป็นทอคํา ทางภูเขาก็ไม่พอแกความปรารถนาของบุคคลแม้คนเดียวเนอะ่อเอาสองคำได้ภูเขานี้หนึ่งภูเขาเดี๋ยวก็อยากได้ภูเขาอีกนะจนหวัดเป็นโลกก็ไม่บอกนั่นอย่างเรื่องชา ด, ดกก็จะมี mm hmm. อีกเช่นอย่างเรื่องพระเจ้ามังทาสุราชอะไรนะครองกรนดิน่เป็นจกกักรพรรดิทั้งโลกแล้วนะ ก็ได้สมกษณาว่าเออมหากษัตริย์ไหนก็อยากจะได้ครองแผ่นดินเป็นเจ้าปยิ่งใหญ่ได้เป็นเจ้าทั้งโลกพอเป็นเจ้าทั้งโลกทางโบราณท่าเรียกว่าครอบครองแผ่นดินจตมาทั้งหมดทั้งสี่ก็สบายไปพักหนึย่ยจินใจไปพักพอนานๆาาเก็เบื่อแล้วสิ้นเนี่ยเออไมมีอะไรที่เราหน่าจะได้มากกว่า น, นี้นะอันนี้ก็บริวาร ข้าราชบริาพารก็ทูลบอกว่าสวรรค์ที่จะขาวเนีรยแต่วันแตน จ, จาจักรมหาระาก็ตามเรื่องก็บอกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีรัตนะทั้งเจียมมีจักรรัตนะก็แล้แผ่อำนาจก็เอาบุญจากจักรรัตนะไปต่ถึงสวรรค์ชันโลกบาลสี่ท้าจักทูโลกบาลก็ออกมาต้อนรับเพทราบความประสงค์ก็เลยให้ครอบครอง ท่นจากตุ้มวนนี้เขาครองไปแล้วสักพั้งหนึ่งก็เอวยแหละไม่พออีกล ะ, ะ, ะแค่นี้ไม่ได้สวรรค์ดีกว่านี้ไม่มีหรือถ้าเจะบริพาก็บอกว่ามีสิปฏิคาดชั้นดาวดึงของพระยินแต่ก็หมุนแต่กระตันนาไปต่อไปถึงชัดาวดึงพระอินทร์ทราบความปรารถนาก็แบ่งสวรรค์ให้ครองครึ่งหนึ่ง พอได้ครองครึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงนานเท่านั้นเข้าชั้นเบื่อแล้วนะแล้วถ้อยากจะได้มากขึ้นแล้วทําไงจะได้สวรรค์ทั้งหมดแล้วพระอนทนี่งัข<ม>ัดขวางฉันคิดค่าเขาอินแล้วสิน แ, แม่เอาล่ะแม่เป็นอย่างงี้นะสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์เนี่ยบางทีเป็นเหตุให้เราิดทําลายต่อผู้อื่นได้ง่ายๆนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขัด ก็ิดไปฆ่าพรอะอินทีนี้ตามหลักท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยคิดฆ่าเทวดาไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าไม่สามารถจะฆ่าได้สุกเรื mm ่องไอ้ความคิดนี้ก็ทำให้เมื่อความปรารถนานี่มันมีตุก ข, ขัดข้องมันก็ทาใา้เกิดความห ม, มองจิตใจก็หมดหมองไปจิตใจที่หมดหมองเกิดความขับข้องก็ทำให้โซ่เนี่ยพระเจ้ามันทาดูไล่ไปเลย ร่างกายก็เลยครอยโทมแล้วก็เลยจะสิ้นนะกลายเป็นสิ้นอายุไปนี่มันนึกจะตายในสวรรค์ไม่ได้ด้วยนี่พรอจะสิ้นอายุ ก, ก็เลยต้องตกจากสวรรค์โลกตุกลงมานะเริ่มจากสวรรค์ลงมาในสวนลงมาในสวนก็ในพระราชูติยานตอนนั้นเวลามันผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะลูกหลานพระเจ้าจมันทาตุลาจะตายหมด ไม่รู้มาถึงแหลนท่านที่ทะเลก็พระเจ้ามันตาตุราสรงล่ล่ลงมาในพระราชวิทยาพวกคนในวังก็มาเจอก็ถามอ้าวเป็นยังไงเป็นใครก็บอกให้ทราบก็ปากทำไว้ท้ายบอกว่าเราเนี่ยคือมันตาตุราชกจั์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะไปครองมนุษย์ จบแล้วยังไม่พอยังได้ขึ้นไปครองสวรรค์แต่ถ้ายังไม่พออยู่นั่นเองตายครั้งนี้ยังไม่พอนีก็เลยจบลงเรื่องคที่ว่าตายก็ยังไม่พอวาทะของพระเจ้ามันทาสุไรก็คือจุดสุดท้ายที่บอกว่าก็ตายลงทรั้งที่ยังไม่พอตายลงโดยยั ง, ยงไม่อิ่มอันนี้ก็เป็นคติ สอนใจให้รู้ว่าเรื่องการเนี่ยจะให้เพียงพอให้อิ่มไม่ได้จะให้ความสุขทีท่ถึงความบริบูรณ์รสมบูรณ์ไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งไล่ตามู่เรื่องไปก็อยู่ที่การที่จะวางใจให้ถูกต้องถ้ามีเชนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาทั้งตัวตนเองและแก่ผู้อื่นตัวเองก็จะมีความทุกข์ความเดร้อนได้มาแล้วก็ ถ้าตามใจไม่ถูกต้องทรัพย์สมบัติก็มีความหงแหแขวนจนมีตัวเองก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ตัวได้มา mm hmm. แล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์พ็ยังก่อความเดือดร้อนแก่คนมนุษย์ด้วยถ้าหากว่าเรารู้จักปฏิบัติตามหลักธรรมะแล้วเราก็อาจจะทิกผันสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดคุณประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แม้มันจะยังมีโทษอยู่บ้างก็น้อยลงไปอนนี้ ในเมื่อมันมีโทษอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะป้องกันเลยว่าทำให้มันน้อยอย่างที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสอนหลักไว้ว่าอันแรกละเพื่อเป็นหลักประกันไว้ก่อนเพื่อให้มนุษย์เนี่ยแต่ละคนมีทางจะได้ความสุขในขั้นกลามนี้กันบ้างพอสมควรไม่เดือดร้อนเกินไปแล้วก็ไม่แย่งชิงคมเห็นกันจกนกระทั่งกลายเป็นว่า คนบางคนได้แต่คนส่วนใหญ่ต้องเดือดร้อนเหลือเกินและตัวคนนั้นเองต่อไปก็ต <function> ้องเดือดร้อนเองในที <cons> um ่สุิดก็เลยวางหลักความสัมพันธ์ระหว่างกันที่นรียกว่สี่ห้านสี่ห้านี่ก็เป็นหลักประกันเป็นมาตรฐานความประพฤติสําหรับเป็นกรอบให้แก่มนุษย์ที่ยังอยู่ในระดับกลางสี่ห้านี่สำหรับชีวิตในระดับกลางคือ ถ้ามนุษย์ยังแสวงหาตามกันอยู่หาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆสิ่งบะมุงมงินเลยแต่ถ้ายังอยู่ในศีลงห้าก็ยังพออยู่กันได้ยังพอมีความสุขแต่ละคนก็พอได้ไดบ้างถึงมันจะมีทูกขีไหมแล้ตามเรื่องของมันให้เกิดเป็นแค่ตามธรรมชาติขึ้นมาจังหวะทุกเพราะว่าไอ้สิ่งเนี้มันเป็นสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระในตัวต้องขึ้นต่อมั น, นมันธรรมดาตามธรรมชาติสีห้าจะช่วยไม่ได้หรอกนะสีห้าก็ช่วยแค่ว่า เออแต่ละคนน้อก็อยากได้นะให้เขามีโอกาสบ้างแต่ละคนก็หากันไปสี่ห้าก็เป็นกรอบกันไว้ให้แต่ละคนพอได้บ้างได้กามกันมาไม่เดือดร้อนกันโลกมัจะก็ลุกเป็นไฟนะเพราะนั้นสี่ห้าก็เป็นกรอบความพื้นสรับให้มนุษย์ที่สวยหามกามเนี่ยพออยู่กันไปได้มีความสงบสุขพอสมควรเป็นหลักวัตถุสรับสำคบทีนี้ต่อแต่นี้แล้วมันก็เป็นเรื่องทางด้านจิตใจแล้ว พอมีสิ่ห้าแล้วก็เป็นเรื่องว่าทีนี้ตัวเองไอท้ที่จะมีความทุกข์หรือไม่สุขจริงเพราะกามอะไรเนี้ยนะจะทำไงเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติสูงขึ้นไปทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าจะต้องรู้จักความสุขอย่างอื่นบ้างมาช่วยถ้าหากว่ามีความสุขอย่างอื่นมาช่วยแล้วมันก็จะทำให้มาแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์จาการมไปได้ นี่อรรถาจารก็ตัสบอกว่ามันยังมีความสุขประเภทอือ่นขึ้นความสุขของมนุษย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องขึ้นต่อ ว, วัตถุภายนอกอย่างเดียวมนุษย์สามารถมีความสุขที่เป็นภายในของตนเองที่เป็นอิสระที่อยู่ในตัวเองหาความสุขได้โดยลําพังตัวเองอยู่ที่ไหนก็หาความสุขอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกอันนี้ก็จะเป็นความสุขระดับสูงขึ้นไปซึ่ง เทียบกับระดับที่หนึ่งระดับที่หนึ่งเราเรียกว่าความสุขที่เกิดจากกามเนี่ยเรียกชื่ออย่างวว่าสามิสสุสามิก็คือประกอบด้วยอามิตรสามิก็ประกอบคือสหกับอมิตรประกอบด้วยอามิตรก็คือวัตถุหรือสิ่งเสพทีนี้คู่กับสามิสสุสุขที่อาศัยอมิตรซึ่งเป็นสุขันดับตามมันจะเกี่ยวพันอยู่กับตัณหาเนี่ย ก็คือนิรามิษฐสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิ ส, สุขที่ไม่ขึ้นตอ่ออามสิสุขที่อยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญนี่ท่านก็บอกว่าถ้ามนุษย์ไม่นัวแต่เอาใจไปวุ่นอยู่ข้างนอกวุ่นวายฟุ้งซ่านในการคิดต่องหาเนี่ยรู้จักทําให้จิตใจสงบวางเนี่ยมนุษย์จะได้ความสุขอีกประเภทนเพถึงแต่ว่าแต่มันชี้จริงความสุขประเภทนี้มนุษย์ก็มีบ้างแล้วแต่บางทีก็ไม่รู้ตัว ความสุขที่เกิดจากจิตใจตัวเองนะที่เกิดจากอย่างน้อยก็เกิดจากคุณธรรมในจิตใจเช่นว่ามนุษย์อยู่ด้วยกันเองนี่ก็เริ่มมีความสุขประเภศนี้ถ้ามนุษย์ไม่คิดแต่จะเอาเพื่อตัวเองแล้วก็คิดแย่งหาเบียดเบียนการมองคนอื่นเป็นตัวขัดแย้งผลประโยชน์มนุษย์เริ่มมองกันถูกต้องก็งมีมัยตรีบางทีมนุษย์ก็ช่วยเหลือกันนะมนุษย์ช่วยเหลือกันให้ต่อกันแล้วเกิดความทราบซึ้งใจ ในเกิดความรักอยากจะให้เขามีความสุขช่วยเขาเออบางทีไอ้ตัวคุณธรรมในใจตัวเองทําให้ตัวมีความสุขคือตัวความรักความเมตตาทําให้คนมีความสุขได้ตอนนี้จะกลายไปว่าความสุขไม่จําเป็นจะต้องเกิดจากการที่ไปเอามาให้แก่ตัวเองเนีมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันนี่มนุษย์มีคุณธรรมแล้วถ้าปรารถนาดีต่อกัน แล้วก็กลายเปว่าบางทีให้กับเขาก็มีความสุขเออเอ้ถ้ามนุษย์พัฒนาขึ้นมีคุณธรรมขึ้นมันเปลี่ยนเพระนั้นเราจะเห็นได้เช่นพ่อแม่พ่อแม่รักลูกไม่เป็นตัวอย่างที่เอาจากธรรมชาติมามาเป็นเครื่องเสียดสีพ่อแม่รักลูกธรรมดามนุษย์จะมีความสุขเหมือนได้เมื่อเอาให้กับตนเองเอแต่พ่อแม่เนี่ให้กับลูกก็มีความสุข และเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ยิ่งมีความสุ ข, ขนะหนักครับเนี่ยไ้ความสุขนี้เกิดจากอะไรเกิดจากจิตใจจิตใจที่มีเมตตามีความรักเมื่อรักแล้วก็ต้องการให้คนอื่นมีความสุขเมื่อต้องการให้เขามีความสุขและเห็นเขามีความสุขเขาก็มีความสุขความสุขเกิดจากการให้เพราะฉะนั้นมาตรงข้ามเลยแทนที่จะต้องเอามานะ่ และจึงจะมีความสุขได้เป็นว่าสามารถให้เขาแล้วมีความสุขได้แต่อันนี้ต้องมีคุณธรรมในใจขึ้นมาแทนแทนที่จะมีจำหาที่เอาเพื่อตัวกลายเป็นต้องมีสิ่งที่ตรงข้ามกับคุณธรรมเช่นเมตตาเมื่อมีความรักความปรารถนาดีแล้วต้องการให้เขามีความสุขพอให้แต่เขาโดยเองก็มีความสุขได้เพราะเหตุก็มีความสุขแต่ที่ยกตัวอย่างก็คือพ่อแม่ทีนี้ถ้าจิตใจเราขยายออกไป ไม่เฉพาะความรักที่มีในฐานะเป็นพ่อแม่แต่มีในฐานะอย่างอื่นเช่นว่าอ้าจะขยายไปเป็นพี่น้องนะ <nom. S 1> พี่น้องถ้ารักกันก็สามารถมีความสุขจากการให้กันกันถ้าไม่รักกันก็สุขไม่ได้ต้องเอาอ <đ Eller S 1> ันนี้ถ้าพี่รักน้องพี่ก็สามารถให้แก่น้องแล้วพี่ก็มีความสุข mm. ถ้าน้องรักพี่น้องก็สามารถให้ก่พี่แล้วก็มีความสุขถ้ารักเพื่อน ก็สามารถให้กับเพื่อนก็มีความสุขเอ๊ะทีนี้ถ้าหาว่าแผ่ความรักความเมตตานี้ออกไปละถึงเ<ม>พื่อนมนุษย์ั์ทั้งหลายอื่นจะสามารถให้แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นให้กับเพื่อนมนุษย์อื่นก็มีความสุขได้ถึงนั่นเริ่มมีความสุขชนิดใหม่สุขชนิดนี้มันตรงข้ามแทนที่ยะต้องเอาอาวุธก็กลายเป็นว่าให้อาิตรให้แก่คนอื่นทําให้คนอื่นมีความสุขนอกจะให้วัตถุแล้วทําด้วยประการใดก็ตามใช้ เลี้ยแรงตายหรืออะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีความสุขก็ทําให้ตัวเรามีความสุขด้วยอันนี้ก็เป็นความสุขที่ชัดจะขึ้นต่อวัตถุภายนอกหน้อ ย, ยแต่ต่อมาก็มาในภายในตัวเองตัวเองสงบจิตสงบใจไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเห็นธรรมชาติงดงามไม่ต้องเอาอะไรก็มีความสุขได้ในจิตใจสงบผ่องใสมองเห็นได้วยปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย จิตใจก็ปลอดโปร่งคล่องใสก็มีความสุขใช่ไหมเอ้ความสุขนี้มันแทบจะมีมากขึ้นถ้าใจไม่ไปชุ่งท่ามัวแต่จะเแสรงหาอย่างนั้นก็สามารถมีความสุขแด้ทุกที น, นี่ก็เป็นความสุขภายในอันนี้จิตใจของคนเรานี่ก็มันสามารถที่จะเข้าถึงคุณวิเศษอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้ก็มีผู้ที่เสแสรงหาความสุขทางจิตใจเคยเห็นว่าจิตใจสงบแล้วมันมีความสุข ก็ไปพยายามฝึกจิตใจปรากฏว่ามันมีระดับของความสงกของจิตใจที่เรียกว่าสมาธิหลายระดับก็เข้าถึงสมาธิแล้วก็มีความสุขเอ๊ะตอนนี้ฉันได้ความสุขโดยไม่ต้องอาศัยอามิธไปไ ป, ไปมาไม่เอาแล้วทีนี้นะเกิดติตใจมีความสุขจากไอ้สมาธิเรื่องธรรมสุขจิตนี้มากากลับเป็นอันว่าให้ความสุขทางอามิตรทางกานี่ไม่จําเป็นแหละนะ ก็พอใจในความสุขทางจิตในความสุขระดับนี้ก็เป็นความสุขที่อยู่ในเรื่องนิราภิษนั่นแหละเกิดจากการฝึกจิตเป็นพวกสมาธิเนะี่ยเป็นพวกสมาธิได้สมาธิขั้นสูงก็ได้ฌานเนะีได้ฌานต่นางๆซึองมีหลายขั้นมีฌานระดับต้นก็มีสี่ขั้นท่านเรียกชื่อเฉพาะว่ารูปฌานสี่ก็เสร็จแล้วเหนือกันนั้นบางคนฝึกต่อไปได้ฌานสูงขึ้นไปอีกเป็นไดอรูปฌานสี่ ก็เป็นความสุขระหว่างระดับฌานเมื่อระดับฌานเริ่มสมัธิเกิดจะสมาธิและมีสมาธิเป็นแกนในระดับเฉพาะท่านเรีกรรร่รูปราวจรอรูปาวจรอรูปาวจรก็แปลว่าท่องเที่ยวไปในรูปธรรมอรูปราวจรท่องเที่ยวไปในอรูปธรรมก็เลยมาเรียกความสุขระดับต้นที่ขึ้นต่ออมิตรลึกลว่าการาวจรต่ท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกานะ นี้หมายความว่าคุณแยกระดับกันแล้วมีความสุขที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นระดับการมาวัจจอนอี่าคระดับการมาวัจรมาเป็นรูปาวจร อ, อรูปาวจรอนนะรูปาวจรอนนี่ก็เป็นยังอาศัยรูปธรรมที่ใช้ในการมาเพนเพี ย, พยทนทนะั้งจิตแต่ว่าไม่ใช่เรื่องตามและมันเป็นเรื่องของตาที่ไปแสวงหางอามิทย์มาเสพประมุ่ตาหูจมูกมือกายกายและมันเป็นเรื่องจิตแล้ว ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเรื่องตามมาอยู่ที่รูปธรรม ท, ที่ใจไปจับยุะะดก็โระหว่ามนุษย์ก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมีความสุขอีกอย่างหนึ่งทีนในความสุขระดับนี้บางคนก็ถึงจะทําให้ปลีกออกจากกามไปเลยสําหรับคนทั่วไปเนี่ยถ้ามีความสุขระดับนี้มาช่วยแล้วเนี่ยจะทําให้การแสวงหากามของเขาเนี่ยไม่เกิดโทษทุกข์ภัยมาก เขาบอกเขามีความสุขอยู่ในตัวพอสมควรแ ล, แล้วพขาสามารถมีความสุขได้ไอความสุขระดับตามก็เป็นเครื่องประกอบนะก็ไม่ทำให้เขาดิ้นรนทยานหามากคือถ้าคนไม่มีความสุขอยู่ข้างในความสุขไปขึ้นต่อไอข้างนอกมันก็ต้องหาเต็มที่แหละนะฮะต้องหาให้สุดเหวียงแต่ทีนี้พอมันมีสุขในภายในและไอข้างนอกมันได้ไม่ได้มันก็เป็นส่วนประกอบเสื่อพะนั้นก็มีความคิดคำหนึงมากขึ้นว่าเออหา ความสุกจากตาม่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นทนนะจะไปเบียดเบียนทนนะหรือตัวเองก็อีกแหละนะจะหาความสุขจากตามถึงก็ต้องไประบาดระบุนมากมายก็ไม่เอาใช่ไหมทําให้เสียหายไอ ต, ตอนนี้ก็เท่ากับมีตัวฐานขึ้นมาทําให้มีสมดุลขึ้นวาคนมีความสุขแลดักจิตมาช่วยการแสวยหาตามก็ไม่เกิดทุกข์โทษภัยมากนะักท่านก็ไม่ว่าก็ดีขึ้นแหละตอนนี้ก็เป็นอันว่าให้มี ส่วนจิตมาช่วยบ้างให้มีความสุขจากเมตตามไมตรีบ้างให้มีความสุขจากศรัทธาเชนะ่นมีศรัทธาในศาสนาจิตใจได้นึกถึงบุญถึงกุศลก็สบายใจขึ้นมานะก็เรื่องการก็จะบรรเทาเรื่องทุกข์ภัยเดือดร้อนทั้งตัตนเองและแก่ผู้อื่นลงมีบางคนก็สละออกเลยไปเป็นลูสีโยคีนะ อ่าอย่างในชามาอินเดียสมัยโบราณก็เข้าป่าไปบำเพ็ญเพียรทางจิตเป็นฤาษีโยคียดาบทไม่เอาเรื่องเอาร ล, าแลวแล้วนะโลกนี้ตัดเลยเนี่ไปอยู่คนเดียวเนี่ยไปกินเผือกินมันละไรต่างไปหาความสุขทางจิตจะเอาแล้วก็มาเป็นว่าถึงระดับสองทีนี้เทความสุขระดับสองพิจารณาไประดับมาวีโทษได้เหมือนกันนะ คือบางคนนี้ก็พอได้ความสุขทางจิตเช่นสมาธิได้ฌานนี่ก็ติ๊กใจอย่าที่ว่าไม่เอาเรื่องเลราแล้วกับโลกกับสังคมนี้ตัดขาดปลีกตัวใจสังคมหลีกเล่นเลยบางทีกลายเป็นหนีสังคมไม่เอาเรื่องเลราไม่คิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมใจ ส, สบายได้ก็พอแล้วฉันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเออย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้สุขเภล น, นี้นั้นตัวเองได้ ติดอยู่กับความสุขแนละ้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาภายนอกถ้ามีเรื่องภายนอกบางทีชีวิตของเราก็มีเรื่องภายนอกที่มันไม่ใช่เฉพาะความสุขภายในเราเรื่องภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องเพราะออกจากสมาธิออกจากสมาธิมามาผจญเป็นเรื่องภายนอกเกิดทุกข์ได้อีกพวกนีนะ้อยู่ในสมาธิก็สุขแต่พอออกมาผจญเรื่องรา ก็มีความทุกข์เดือได้และวจะเกิดกิเลสเกิดความโลภความโกรธความหลงขัดแย้งกับคนอื่นได้มีปัญหาได้นะแล้วก็ไม่แก้ปัญหาเท่าที่ควรก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามันยังมีโทษอยู่ความสุขระดับนะความสุขระดับจิตระดับภูมสมาธิอะไรพวกนีย้ยังไม่พอยังไม่ทําให้เป็นอิสระแห่งจิตนะและก็ยังต้องขึ้นต่อมันลึกๆในแง่ของจิตใจ ติดพระเจ้าก็มองเล็งเห็นพวกเนี้ยพ ร, ะ, พระองค์เกิดในสมัยนั้นก็เคยเห็นพวกโยคีฤษีดาบกัดกระดิกเล่นไปก็ได้ชานทั้งสูงๆเนี่ยพระเจ้าก็เห็นโทษมันทําให้ติดได้แล้วก็แถมทําให้ไม่แก้ปัญหาจบสิ้นไม่ทําให้ตัวเป็นอิสระแท้จริงพระเจ้าก็เลยคนพาที่บาเพ็ญเพียรต่อมาก็คือมาถึงขั้นเนี่ย ที่รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตรู้เท่าทันสังขารนะแล้วให้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นถูกต้องแม้แต่ทุกขณะเมื่อมีปัญญารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆถูกต้องในแต่ละเวลานั้นในขณะนั้นปัจจุบันนั้นเสร็จไปเลยนะฮคือไม่ทาให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นในสิ่งที่ตัวเกี่ยวข้อง สิ่งที่ดูเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ละอย่างไม่ทําให้เกิดโทษทุกปัญหาขึ้นเลยนี่ก็ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเท่าทันอย่าที่เราเรียนเรื่องอ น, นิจจังทุกขอังอนัตตาเนี่ยเราจะเรียนลึกเป็นระดับใช่ไหมอย่างที่พูดเรื่องอนัตตาเนี่ยรู้เท่าทันกระทั่งไม่สร้างไม่สร้า ง, รางกระแสตัณหาไม่ทําให้เกิดตัวตนอัตตาขึ้นมารับกระทบเป็นตนดังนั้นแม้แต่ในแต่ละขณะเนี่ยรับรู้ประสบสิ่งต่างๆ ก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดไม่ทําให้เกิดความทุกข์แล้วจะมีความปลอดโปร่งผองใสจิตใจได้ตลอดเวลาเพอจิตใจเป็นอิสระงี้ก็เบิกบานผองใสตลอดเวลาไปเลยแต่พวกนี้มีความสุขด้วยปัญญาที่เป็นอิสระปลอดโลงเบิกบานผองใสเรียบร้อหลุดพ้นจริงๆฉะนั้นมันไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทุกข์ท่านเรียกว่าพ้นทุกข์โดยสิ้นเชเรียกว่าภาวะไร้ทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์ถึงขั้นนิโรดนิโรดนั้นเราแปลกันว่าดับทุกข์ มันชวนให้เข้าใจผิดคือนิโรธ ไ, ไปแปลว่าดับทุกข์กันหรือว่า้ทุกข์มันเกิดแล้วจะไปดับความจริงความหมายของท่านนิโรธลราการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ไม่ว่าทุกข์มันไม่เกิดขึ้นเลยนะอันนี้คือนิโรธที่แท้จริงภาษาไทยนี่ก็ทําให้ยุ่งกันะอแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์กันหรือว่าทุกข์เกิดแล้วก็เคยดับก็ไปอ่านว่าถึงความหมายที่แท้จริงแล้วก็ทําให้ทุกข์ไม่เกิดขึ้น ปัญหาไม่เกิดขึ้นเลยไม่ทําให้อะไรเป็นปัญหาที่ถ้ามีปัญหาก็แก้ได้แล้ทีนี้พอมีความปลอดโปร่งเบิกบานท่องสายอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกลับมาทีนี้ถ้าตัวเองจะมีความสุขอะไรไอ้ความสุขนั้นมันก็ปลอดโปร่งเต็มที่ทีนี้มองดูคนที่แสวงหาการเนี่ยจิตของเขาบางทีมีอะไรมันเป็นหลักเป็นตอมันทิมมันแทงใจอยู่กันนาความสุขอันนั้นแม้แต่การที่เองตัวเองก็ไม่มีความสุขเต็มที่ละ มันมีอะไรของขวางอยู่ไปอย่างนั้นนะหาไปเรื่อยๆแม้แต่คนที่เข้าสมาธิอะไรต่างอกิเลสมันก็ยังตําลึกๆอยู่มันมุมอมองอะไรแต่ออะกระสุนมาเต็มที่นี่พอเรามีปัญญาบริบูรณ์จิตเป็นอิสระแล้วมันไม่มีอะไรแล้วขวางจะหาความสุขอะไรก็สุขเป็นที่บริบูรณ์ไปเลยเนะี่ยแล้วกลับมาช่วยให้ความสุขประเภทต้นๆดีไปด้วยสมบูรณ์ไปด้วยเนี่ยตอนนี้ถึงตอนนี้ชาติตัวเอง มีความสุขอื่นก็ความสุขนั้นก็บริบูนะแต่นี้ถ้าหากว่าต้องการสังหาความสุขจา ก, กามมันก็สบายแต่ที น, นี้ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเขาละเขาเกิดได้มีความสบายที่สูงขึ้นเขาเกิดเลิกไม่เอาความสุขจาั ก, การมันก็เรื่องของเขามันเป็นเพราะจิตของเขาถึงระดับอย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าก็เคยจัดไว้พระพุทธเจ้าเคยจัดเรื่องนี้กับข้ามชื่อมาทันพุยยะนะ อันนี้พระ เ, เจ้าก็จัดบอกว่าจัดถึงกลามาสุขเนี่ยขึ้นมาแล้วพระองค์ก็บอกว่าได้รู้จักความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปถ้าพระองค์ไม่รู้จักความสุขที่ประณีตพระองค์ก็ไม่สามารถดินยันพระองค์ได้จะไม่เวียนกลับมาหาการเนี่ยแต่เป็นเพราะพระองค์ได้ความสุขที่ประณีตกว่าพระองค์ก็เลยไม่เวียนกลับมาเห็น mm. ไหมอันนั้นเป็นเพราะเป็นภาวะจิตของท่านอย่างนั้นเองท่านไม่ต้องการ เปลี่ยนเหมือนอย่างกว่าเมื่อเป็นเด็กๆ ก, นะก็เล่นวัตถุสิ่งของเครื่องเล่นต่งตางๆมากมายแล้วก็ลหลงไหลกัเรื่องเครื่องเล่นเหล่านั้นนะที่เป็นวัตถุเอาเป็นเอาตายกับสิ่งเหล่านั้นนะใครจะมาแตะบาทีไม่ได้ใช่ไหมรักมากเลยเนะี่ยความสุขก็อยู่กับเครื่องเล่นเหล่านั้นทีนี้พอเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นจะิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปนะ ที่ให้ความสุขก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะเป็นเรื่องของวัตถุทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆทีนี้มามองดูของเล่นที่เคยเป็นเด็กไอ้ที่ตัวเคยหลงไหลมีความสุขขึ้นตอนมันตอนนี้เห็นเด็กเล่นแล้วก็หวงแหนะอะไรขำ <laughs> ใช่ไหมเนะี่ยขำว่าเด็กมายุ่งหลงไหลกับเรื่องเหล่านี้ตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องไปติดอะไรกับไอ้เรื่องเครื่องเล่นเหล่านี้คุดแลเปลี่ยนระดับทีนี้ก็มาหลงไหลก็อื่นต่อไปแทน ทีนี้ในทรรมนองเดียวกันถ้าจิตเนี่ยมันจเจริญพัฒนาเลยต่อไปอีกก็เป็นอริยะนะ่ะนี่ก็คือว่าผ่านจะปบุตรชนไปเป็นอริยะพอไปเป็นอริยะชนเป็นพระละหาันมองกลับมาเห็นปุตรชนในลหลงไหลกับวัตถุทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ก็เหมือนจะว่าผู้ใหญ่ที่มองเห็นเด็กหลงเคลึงเลนจิตมันจะพ้นไปอีกระดับก็แปลว่านี้คือเป็นเรื่องของการพัฒนา จิตใจของมนุษย์เอ้ยถ้าเรายังไม่ถึงเราก็นึกว่เอ้ยพระอราหันต์ท่านจะเป็นมีความสุขอะไรอะไรทัานอนอยนี่นะเพราะจิต ท, ทัานผ่านไปแล้วท่านมองคนละแบบนะโลกทัศน์ชีวทัศน์มันเปี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ไป็นอยู่ที่ว่าการพัฒนาจนกระทั่งอีกระดับนี้เลยกรญญ็ระดับปัญญาระดับปัญญาระดับปร ม, นะ า, มราจิตที่ทําให้จิตเป็นอิสระเป็นตัววิมุตติความหลุดพ้นโดยอิสระภาพโดยสมบูรณ์ ก็แปลว่านี่ก็ความสุขก็มีได้หลายระดับมีความสุขระดับตามซึ่งเป็นสามิสุขแล้วก็มีระดับจิตใจเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเป็นมรูปราวาจรตามรุปราวาจรก็ตามแล้วก็เป็นนิรามิสุขแล้วก็ไปมีความสุขระดับปัญญาระดับอิสรภาพลิมุติซึ่งเป็นนิรามิสุขเหมือนกันแต่เป็นนิรามิสุขอีกระดับ นะที่เหนือขึ้นไปที่หลุดพ้นแต่บางทีอาจจะเล็กบางทีท่านก็ใช้ศัพท์อื่นจะเป็นทํานองนิรามิสตะละอะไรจะไปยุ่งลรศัพทนะ์เหล่านั้นไม่ต้องไปยุ่งจะทําให้สับสนก็แทนว่าเป็นความสุขที่ถึงขั้นเป็นอิสระหลุดพ้นกันแล้วกันนะนี่ก็เป็นเรื่องของความสุขของมนุษย์ที่อยู่ที่มนุษย์รู้จักพัฒนาตนเอง อันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เมื่อพัฒนาไปแล้วมันก็เกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันไปด้วยพระเจ้าก็สอนให้มนุษย์เห็นว่าเราเนี่ยมีวิธีหาความสุขได้หลายอย่างแล้วก็เป็นทางที่จะนำไปสู่ประโยชน์สุขที่แท้จริงเป็นก่รสารต่อชีวิตแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมไปด้วยเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดี เกาทุกคนก็จะได้ประโยชน์ได้สิ่งที่ดีงามเป็นที่จะแปลว่าความสุขระดับที่หนึ่งสวยงากงามนี้อย่างน้อยต้องมีสีลห้าเป็นหลักประกันไว้ถ้านอกจากนั้นก็เอาฐานมาช่วยอีกนะฐานมาช่วยเพื่อมนุษย์จะได้เกื้อกูลกันและฐานนี้จะเป็นตัวช่วยพัฒนาเวลาทำใจถูกเราจะเป็นตัวสื่อให้เข้าถึงนิรามิสุข ที่เป็นสุขขั้นที่สองที่ไม่ต้องอาศัยอำนาจที่เกิดจากการที่เรามีเมตตาแล้วก็รักคนอื่นให้เขาแล้วเราทําใจถูกเราได้ความสุขจากการให้ด้วยนี้ถ้าทําใจไม่เป็นฐานก็กลายเป็นว่าให้ไปเพื่อหวังผลประโยชน์โดนนี่อ่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยก็เป็นทานที่ทําให้พลาดได้นี้ถ้าเราทําถูกเนี่ยทานมันก็เป็นตัวที่เชื่อมโยงเราไปหาความสุขประเภทที่ไม่ต้องอาศัยอมน นะทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขของเราได้เกิดจากคุณธรรมแต่ทานนี่ในขั้นกลามเองมันก็ช่วยให้มนุษย์อยู่กันเป็นสุขเผื่อแผ่แบ่งปันทรัพย์สินไบ่ปันกรรมกันเพราะนั้นศินห้าเป็นหลักประกันแล้วก็มีทานมาช่วยดังนั้นก็มีคุณธรรมอื่นมาเป็นตัวโยงเข้าหาความสุขขั้นททีีอ่อมราาสสุขุขขเป็นงจิตใจแต่ในความสุขขั้จิตใจก็เลยต้องอาศัยข้อปฏิบัติเช่นอย่างสิ่งแต่เนี่ย อันนี้ไม่ใช่ตัวกรอบและกลายเป็นตัวเครื่องช่วยแย่ที่เคยอธิบายแล้วว่าสิ่งแปดนี้ก็มาช่วยให้เรารู้จักเป็นอิสระต่อสิ่งภายนอกมากขึ้นความสุขไม่ต้องอาศัยอ ะ, อะไรดนตรีมากนักไม่ต้องอาศัยเครื่องประดับแต่งกายไม่ต้องอาศัยที่นอนสบายๆไม่ต้องอาศัยอาหารตามชอบใจหรือตามพอใจหรือจัก หาความสุขโดยที่เราทำให้จิตใจให้ตัวเองเป็นอิสระแต่ว่าทุกมากขึ้นใช่ไหมสินใจก็มาช่วยฝึกแล้วก็บางคน็ด้ จ, จะถือข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างอื่นอื่นมาทุน่นเติมได้แล้วแต่นะ น, นั่นก็เป็นสุกแป่เป็นตัวช่วยหนุนเพื่อจะเข้าถึงความสุขขั้นที่สองแล้วก็ต่อไปก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อจะเข้าถึงความสุขขั้นที่สามต่อไปอันนี้ก็ คิดว่าขอสมควรยาวแลหละนะมีอะไรสงสัยไหมฮะตอนนี้ฉัพูดไปมากขึ้นก็ถามได้ยังนี่หลังมาสุดกับวิปวตัญหานี่เหือนท่านเ็ไหมอ้ต่างกันเต็มที่เลยต่างกันลึกเลยดีหลวงพี่ดาววิปวตัญหาจะเห็นได้ชัดเลยเรื่องของกรมเนี่ยกรมาสุดเนี่ยชัดเลยเลวงพี่วิปวตัญหาพอหากามตอนแรกเป็นกามตัญหาใช่ไหมฮะอยากได้กรรมก็หา พอได้มาปั๊บชินชาเบื่อแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้จะไปแล้วไม่อ้าวเนี่ยอยากจะหนีอยากจะพ้นจากไอ้กามตัวนี้ไอ้วัตถุอันนี้นี่แหละวิพัหานาเนี่ยนี่นะนะนนมันทําให้เกิดทุกข์เลยจีใช่ไหมการพัฒนาก็วิ่งหามันตอนยังไม่ได้ก็ทุกเนี่ยพอได้มาแล้วก็สมใจนั่นแหละกรารอาศะอาศะทามของกามคุ้ของกรารท่านยอมรับ แต่ทีนี้พอได้มาแล้วมันไม่พอหรือมันเกิดเบื่อนี่สิตอนนี้ตอนนี้แหละวิพัฒนาใหม่แล้วก็เกิดทุกข์อีกใช่ไหมแต่ เ, เรื่องวิพัฒนาเนี่ยเด่นชัดที่เรื่องสา ม, มทีนี้พออันนี้ลาวิสุกก็คือสุขที่ไม่ขึ้นตามม่ามันเป็นความสุขโดยตัว เ, เองไม่ไมใช่ไอ้วิพัฒนาไม่ต้องอยากต้องดิน้นรนใช่ไหมอันนี้ลาวิสุคนี่มันความพอใจสบายมันไม่ได้ดิน้นรนอะไรตรงท่ามเลย มันก็วิพากษ์วิจาหาก็เด่นที่เรื่องของการมันก็เป็นปฏิกิริยาสงครามคือตอนแรกก็ใฝ่ต้องการตอมาก็เบื่อจะหลีกให้พ้นทีนี้เพราะว่าตัญหาเนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องการให้คงอยู่ตลอดไปสมมายความว่าพอเราอยากจะได้กามใช่ไหมเราก็อยากจะเสร็จกามนี้ได้เรื่อยไปเลยใช่ ทีนี้ตัวเรามันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะมีการพัดเปล่ามันจะพ้นไปมันจะตายมันจะอะไรก็แล้วแต่เปลียนแปลงเราก็ต้องการให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่จะเสด็ตามนี้ได้ตลอดเพราะว่าปัญหา้วเกิดขึ้นเนี่ยต้องการให้ตัวตนนี้คงอยู่นิรันดร์หรือเสมอไปตลอดไปเพราะฉะั้นการมาปัญหาก็โยงไปหาเพราะว่าปัญหาเนี่ยมืาสัมพันธ์กันเลยแล้วทีนี้พอ มันจะไม่เอาขึ้นมาเลยมันก็จะไปก็เป็นวิพัฒหาขึ้นมาแค่นะัะนะ้นไอ้สามตัวนี่เวียนบนกินอยู่ตะคนเรื่อยใช่ไหมทุกคนจะมีถ้าอยู่ในโลกของกามก็จะต้องไอ้เจ้าสามตัวนี้กับบนเวียนกันอยู่เนี้ยเรื่อยไปพนะออยากได้อันนี้พอไปเจออันโ น, น้นก็เจอวิพัฒหาลนะไออันที่ต้องการมันไม่ได้ตัวนี้มาข้าทํา ง, งามันจะหนีไปได้ทำไมมันจะหายไปซนะแต่อยู่อย่างเงี้ย น, นี่พอพน้นพวกนี้ไปได้ก็จะไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็พวกที่ได้ความสุขจากสมาธิก็มันก็จะมีปฏิกิริยาได้นแะง่ที่ว่าพอสุขจากสมาธินะะจิตใจมันพอใจอยากจะอยู่คนเดียวนะอยากจะอยู่เดียวๆอวัตถุสิ่งของเหล่านี้มันเกะกะ ทำงานจะพ้นไม่ได้หนาะอะไรใน น, นี่ตอนนี้วิพัฒนาจะเกิดแหละนะแต่ไอตัวนิราภิสุขเป็นแม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นปฏิกิริยาได้จุดได้จะเกิดความรู้สึกที่เบื่อนหน่ายอยากจะผ่านพ้นไปอยากจะหนีไปอยากจะทําลายเสียแต่ว่าวิพัฒนานี่ก็คือแต่ละอย่างนะที่เป็นอุศสมเนี่ย ถือว่าถ้าทําให้ถูกแล้วมาเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ต้องรู้จักทำหรือบาทีไม่รู้ตัวก็อาจจะทำเพราะว่าเกิดเราเบื่อหน่ายอันเนี้ยนะเราเบื่อหน่ายแล้วถ้าเราเกิดเข้าสู่วิถีที่ถูกเบื่อหน่ายกามแหมห า, มาไม่เท่าไรเท่าไรบางคนเนี้ยโดยไม่ได้เรียนธรรมะเป็นเองหากามมาท่านนุ่มเด็กกท่านจะแตรไม่ได้สนใจสุขจริงเบือ่อ พราะเบื่อตอนนี้เราดิ้นรนจิตใจหาทางออกมาเจอธรรมะสนใจธรรมะไปใช่ไหมบางคนเป็นอย่างนี้เนีเ่ยมานจะเป็นไปเองมีก็วิพอตัญญาก็เป็นตัวปฏิกิริยาที่ทําให้หันโน้มมาทางจิตใจทางธรรมะได้และหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าใช้ได้ปัญญาก็รู้เท่าทันเองแต่ต้นเราจะได้ปรับแต่ต้นให้มันพอดีให้หมด แล้วเราก็เป็นไปเองเราก็จะพัฒนาตัวไปได้ตามลําดับก็อย่างน้อยอยู่ในขั้นของการมก็ปฏิบัติต่อกรรมให้มีโทษทุกน้อยที่สุดอย่างรู้เท่าทันว่าทางของมันที่จะเป็นทุกได้เป็นอย่างไรความเป็นอนิจจังทุกขังนั้นตาเนี่ยทำให้มันปิดปัญหาเราต้องแค้วและความที่ไม่อิ่มและพอแล้วก็โทษตัวตนเองแต่ตัวผูอ้อื่นแล้วก็รู้แล้วเราก็ปิดกันหมดเราไม่เกิดโทษ เราแบบท่าเรียกว่าเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันได้เหมือนอย่างรไปปฏิบัติต่อทรัพย์นี่ไงพราเราไม่มีหลักเลยล้วก็หานุ่งจ่ให้ตัวได้เต็มที่ใครเป็นไงช่างมาันใช่ไหมทีนี้พอเราเรียนธรรมมาแล้วออาหนึ่งเอาทรัพย์ท่านเลยว่าแสวงหาเมื่อคุณปเป็นิฤติขัตคุณก็มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งต่อชีวิตคุณต่อคนอื่น แล้วคุก็รู้จักทํำก็คุณก็ใช้ทรัพย์ทําประโยชน์ได้เพราะนหนึ่งแสงหาทรัพย์โดยทาที่ชอบทำนะไม่หวานเอาแสงหาโดยชอบทํารู้จักสร้างสรรค์สองเก็บรักษาทรัพย์โดยมีความมุ่งหมายที่ถูกต้องอย่าทําแบบหวงแหนและถ้าเกิดทุกข์กับตนเองเพราะความหวงแล้วก็ตัวเองก็ทุกข์แล้วก็ทรัพย์นั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ เนะีย่ยจะเป็นอย่างที่ว่าสะสมกรณีอยู่ในทิมของอมนุษยนะ์แล้วก็สามก็ใช้จ่ายทรัพย์ใช้จ่ายยังไงให้เป็นประโยชน์เห่นไหมเอาทรัพย์นี้มาเป็นเครื่องมือของธรรมะของการทําความดีงามแทนทจะเป็นเครื่องมือในการบำรเงินรเลิตัวเองสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามทำประโยชน์สุขทำคนที่อยู่ร่วมเนะี่ยเป็นสุขทำสังคมเพื่อนมนุษย์ได้เป็นสุขเนะี่ยสร้างสารรค์ประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็ ที่วางใจถูกต้องก่อทรัพย์นะีนะ่มีทรัพย์แล้วก็อย่าให้เป็นทุกขทรัพย์แล้วถ้มีจิตใจเป็นสติเท่าทานความเปจริงถ้ามันมีอันจะต้องออแตกสลายหรือเสื่อมไปก็จิตใจก็ไม่ทุกขเดือดร้อนเพราะมันมากเกินควรนะี่มีความรู้เท่าทานันรู้ว่ามันเป็นอนิจจทุกขังนัตตานะฮะเราก็จะอยู่กับทรัพย์อยู่กับกรรมได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ที่มันจะเป็นโทษพเพราะธรรมชาติของมันงั้นนะแต่ด้วยความรู้ทันเนี่ยเราก็เป็นอิสระอย่ได้อนะารนะก็สามารถเข้าถึงความสุขชั้นระดับอื่นมาช่วยเหลือทำให้เราสามารถมีความสุขได้ดีที่สุดมีอนะไรไหมฮะ